ขอความสุขความเจริญที่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทธิレยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องยูรทุกขขันทสูตรสึบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในมันก่อนในหัวข้อต่อไปรับสั่งว่ารูกอนมานามะที่ประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเ้ามีการเป็นตัวบังคับ เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตฉนเหล่านั้นขั้นประพฤติกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าจะ ต, ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกดุกรมหมานามะแม่นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ในสัมป라จะพบมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นตัวบังคับเกิดขึ้นประเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นประเด็นตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักคือมันเป็นสูตรเลยก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นว่าทำและอาธรรมนั้นให้ผลไม่เสมอกัน อารทำย่อมนำไปสู่ทุกติและนำก็ทรรมก็จะนำไปสู่สุกติเพราะถ้าเรามองความรุนแรงต่างๆทั้งหลายในโลกไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนโดยใครก็ตามนะะมันก็เกิดขึ้นจากกามเป็นเหตุกามก็หมายความว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็จิตที่เป็นต้นเหตุอยากได้ และอยากได้บางจุดที่เรากากับควบคุมได้มันก็เป็นสมมาชีพไปอยู่ในกรอบของสีลแต่ความโอคตามปกติและคุมยากเพราะว่าต่ความเพียรพยายามของมนุษย์เนี่ยมันไม่ทันต่อความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจมนุษย์เพราะความเพียรพยายามมันต้องใช้สติสั ญ, ญญาใช้เหตุผล ใช้ความหนักแน่นมั่นคงใช้ความอดกัน้นทนทานอะไรอะไรต่างๆสารพัดจนกว่าจะประสบความสําเร็จแต่ความโลภเนี่ยมันมันไปเลยไปแล้วที่อยากได้เป็นการล่วงหน้าให้ลองสังเกตกว่าคล้ายๆกับขนเล่นหวยเนี่ยคืออยากได้ล่วงหน้าแล้วก็ได้แบบลอยๆได้โดยตัวเองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไร ตัวเล่นการพนันพวกอะไรแต่ อ, อะไรต่างๆแต่เราถึงพวกประกอบอัากรรมการปล้นจี้หลอกลวงต้มตุน๋นอะไรโดวยวิธีการาต่างๆเนี่ยมันเป็นการรับใช้กิเลสแต่ว่าตัวเองก็กลัวเหนื่อยตัวลําบากเว้นวิธีการมันก็ใช้วิธีลัดเวใช้วิธีลัดมันก็กลายเป็นทุจริตเป็นวิจีตทุจริต เ, เป็นมนโนทุจริตคือเรื่องจาความคิดที่ผิด แล้วก็นในที่สุดเราดูตัวอย่างง่ายๆเอาดูดูตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยถ้าเราดูสภาพจิตของท่านท่านก็โน้มเอียงไปในทางก้าวร้าวรุนแรงร้ายเหตุผลมาตั้งแต่เป็นราชกุมารแล้วพะบวชมาถึงเนี่ยมันก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีจนบรรลุอภินยาที่เป็นโลกียะ แต่ว่าพอเกิดริษยาแข็งดีเกิดิษยาแข็งดีขึ้นมาโดยมีความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยอเพราะว่าตอนไปที่เมืองไพยสาลีเนี่ยูเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละแต่ว่าพระรูปอื่นเนี่ยมีประชาชนแห่มาต้อนรับ มีักถามสอบถามองนั้นมาไหมองนั้นมาไหมองนี้มาไหมอะไรแต่ถามหมดมีคนเรียกจะไม่มีใครถามจริงรเลยก็คือปฏิทัติและเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็คือคิดโดยเช่นว่าท่านเริ่มท่านท่านเริ่มคิดผิดแล้วท่านไปคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์คนเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์ แต่คนเหล่านั้นทําไมมีชาวบ้านก็ถามถึงแต่กรเราทําไมยังไม่ถามถึงเราสังเกตุความคิดตัวนี้มันผิดละเพราะที่จริงที่เขาถามถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงถามถึงพระที่เป็นกษัตริย์เท่านั้นพระบาลีาก็กรถามพระธรรมดาสามัญเนี่ยเขาก็ถามเพราะอะไเพราะเขารู้จักเขาสนิทสนมก็คุ้นเคยแต่ว่าเววาทวทัศน์เขาไม่รู้จัก ก็ไม่สนิทสนิไม่คุ้นเคยก็ไม่ถามก็เป็นเรื่องธรรมดาเออถ้าเราเทียบแล้วคล้ายๆกับว่าพระไปสวดมนต์ที่บ้านคือบางรูปจะคนจะเข้ามากราบแล้วเข้ามาขอคุยด้วยบางรูปถ้าไม่คุยกันเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยสักคำหนึ่งตามปกติแล้วโดยระเบียบปฏิบัติของพระเนี่ย คือถ้าหากว่าไปในที่ใดก็ตามเป็นภารกิจของผู้ใหญ่ที่จะคุยแต่เราไม่มีหนะ้าที่คุยเราก็ไม่คุยอ่ทีนี้ถ้ามีกรณีคนมาสอบถามมาสักถามอะไรเราก็ตอบเท่าที่จาเป็นเนี่ยต้องตอบแต่ถ้าโดยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยที่จริงก็ต้องขอขมาโทษก่อนต้องขอโอกาสพิจ า, ารกก่อน แต่สภาพสังคมมันเปลี่ยนนะฮะถึงบางทีก็ไม่ได้ขอโอกาสหรอกเพราะว่านั่งห่างไกลกันแต่แต่โกนขอก็ไม่ได้พระเทวะก็ต้องรู้กันโดยในไี่ต้องเปิดโอกาสให้โดยในทีนี้พระบางองค์เนี่ยเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้คุยด้วยเขาไม่สักถามด้วยแต่ตอนประเคนอะไรต่อะไรก็ประเคนแต่ก็ไม่มีเรื่องคุยเพราะเขาไม่รู้จัก ถ้าเทวทัศเข้าใจความจริงเนี่ยปัญหามันก็ไม่ล้ำปามแตที่ล้ำปาล์มขึ้นไปเนี่ยแกคิดจะแข่งดีละ่ะมันเกิดฤทธิ์ยามันเกิดตีเสมอมันเกิดฤทธิ์สยามเกิดแข่งดีเอ่อเกิดตีเสมอแล้วก็เกิดฤทธิ์ยาก็ต้องการจะแข่งดีแล้วไม่อยากแข่งธรรมดาที่ต้องการจะเป็นรพระเจ้าแทนรพระเจ้าเราเทียบเคียงไง เผ่อตัวเองก็กษัตริย์พระพุทธเจ้าก็กัษัตริย์เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านถ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็เป็นได้แต่ทีนี้วิธีเป็นของท่านเนี่ยท่านก็ลงทางแล้วโดยท่านลืมไปว่าวิธีเป็นของพระเจ้าชาตานะิพิการนั้นท่านต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าบาเพ็ญเพียรลองผิดลงถูกประสบความทุกข์ทรมานมาจะถึงหกปีด้วยต้องการจะ เป็นโดยไม่ต้องทํางานก็แบบพวกต้นข่าทั้งหลายเนี่ยพวกแย่งมรดกพวกแย่งราชสมบัติพวกแย่งตําแหน่งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือกันนั่นแหละออกบ ป, ประเภทเดียวกันเนี่ยมาตะเพาเดียวกันนั่นแหละแล้วนิสตันก็ตเตลเิดเปิดโปงไปกันใหญ่จนถึงก็ทําบาปประกำที่เราถือว่าคนคนหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งอายุก็ไม่มากอะไรเท่าไหร่ แม่แม่ไม่น่าจะทําช่วได้ขนาดนั้นนีการทําโลหิตตุประบาทมีการทําสังกเพศ ท, ทำอนันตริกรรมได้ทักสองอย่างนะดีดี่ไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้สุดท้ายก็ตกนรกอเวจีมันไม่ใช่ว่าเทวทัตเท่านั้นจะต้องตกใครทําตามพระเทวทัตมันก็คือการ แต่เราจะลืมว่าความอยากเป็นเหตุที่พระเจ้าทรงใช้ทรงใช้เราจะเห็นว่าบาปรกรรมเหล่านี้มันจะมีอยู่สองตอนตอนแรกก็คือให้ผลในชาติปัจจุบันแต่ทีนี้กรรมเป็นอันมากมันแรงเกินกำลังที่เราจะชดใช้ผลได้เฉพาะในชาติปัจจุบันมันก็กายเป็นหน้าบัญชีแต่ยอดยกมายอดยกมายอดยกมาไปเรื่อย จนกว่าจะปิดบัญชีได้แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นสูตรใหญ่แม้แต่ชงทรงแสดงไว้เพียงห้าหกบรรทัดก็ตามเก่เราจะพูดว่าเป็นหลักการสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยส้ำไปเพราะสุจริตก็ทุจริตมันครอบคลุมไว้ทั้งหมดแล้วหมายความมาสุจริตก็คืออรอยิยมรรคทุจริตก็คือมิจฉามรรค แล้วก็แยกกันไปเรื่อยทางออกไปหายกไปเลยจนหันหลังให้นะฮะหลังให้กันไปในขณะที่พระพุทธเจ้าบ่ายพระพักสู่พระนิพพานเนี่ยเทวทัตบ่ายหน้าสู่อนรกอเวจีเลยอันนั้นคือการอาการที่เราจะเห็นว่ามันก็ทางกันมาตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่สังสารวัตเนี่ยพระบริสัทธ์ก็สะสมคุณธรรมความดีมาได้ได เป็นบารมีเทวทัตไม่ถึงก็ไม่สะสมหรอกแต่ว่าปริมาณของบารมีนี่มันต่ำกว่าปริมาณของอาสวะในสุดก็สร้างกิเลสดาษของพันให้มีความคิดเลวร้ายแล้วก็ทำในลักษณะเลวร้ายพูดในลักษณะเลวร้ายและถ้าเราดูต่อไปนี่เราจะเห็นอาการกิเลสในตัววาเทวทัตมันเยอะมากๆ มีการยิงพยองมีการโ อ, อ้วดมีการแข่งดีนะมีการตระหนี่มีสารพัดมาเป็นแถบมาเเพราะนั้นพระเจ้าจึงส่งแสดงหลักตรงนี้ไว้อย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรรุงรรงเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สุดจริตทุจริตน่นแหละ เพราะว่าในความเป็นทุตริทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ในความเป็นสุจริตมันคลุมอริยมรรคทั้งหมดไว้แล้วกุศลธรรมส่วนหนุก็คืออริยมรรคในความเป็นทุติริทธ์มันก็แยกตัวเองห่างออกไปจากอริยมรรคไปด้วยลำดับปหัหาสำคัญว่าระบบการคิดคือการคิดอย่างรคิดอย่างไเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมที่แล้วเนี่ย รับการในรัธนาให้ไปบรรยายในหัวข้อรู้รักสามัคคีตามหลักของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมของาศาสนิกสัมพันธ์คือห้าศาสนาก็มีคนเป็นพันเนี่ยนะก็เราก็พยายามที่จะให้ท่านมองเห็น ว่าในความในความที่เรารู้สึกแตกต่างเนี่ยที่จริงเราก็ไม่แตกต่างเราไม่ตกต่างกันกันในแง่ที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้งตายด้วยกันในแง่ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกฎของไตรลักษณ์ในทางศาสนาเนี่ยและที่สําคัญในมิติทางสังคมเนี่ยเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟอากาศข้างนอกมันก็มีดินน้ําลมไฟอากาศ ดินน้ำลงไฟอยอากาศนี่เข้าวกันได้ดินก็ดินน้ำกับน้ำลงกับลงไยกับไฟอยอากาศกับอากาศนี่เข้าวกันได้ไหนแต่น้ำกับดินเข้าวกันได้แล้วก็น้ำกับอากาศน้ำกับดินอากาศกับดินอากาศกับไฟอากาศกับลมมันก็เข้าวกันได้แล้วทําไมพอมาเกาะตัวขึ้นเป็นคนถึงเข้ากันไม่ดดด paz, Gill, าาได้เพราะใจเรา แต่เราไปคิดเราแตกต่า ง, า, งางทางที่เรามาจากธาตุชนิดเดียวกันโดยสภาพของธาตุมันก็เข้ากันได้กันอยู่แล้วทีนี้อีกระบบอีกหนึ่งก็บอกไาช่วยกันคิดนะว่าในศาสนาเทวนิยมเนี่ยถือว่า สัรพชีวิตจรกสิ่งมาจากพระผู้เป็นเจา้าในขณะที่ศาสนาพุทธถือว่าสัรพชีวิตเป็นเพื่อนร่วมคุกเกิดแก่เจ็บตายด้ยวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นพี่น้องกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าโดยระบบการคิดอย่างนี้มันคล้ายๆจะแตกต่างแต่ที่จริงมันเหมือนกัน คือหมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันเพราะมองในมิติศาสนาเทวนิยมแต่และคนก็คือลูกของพระเจ้าก็แสดงเราเป็นพี่น้องกันทีนี้มามองในมิติของศาสนาพุทธเมื่อถือว่าสรรพชีวิตเป็นเพื่อนรุ่นทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกันก็แสดงเราก็พี่น้องกันและพี่น้องทะเลาะ ก, กันทำไรเยียดเบียนล้างผลาญกันทำไรในเมื่อเราเป็นผู้อาศัยโลกนี้ แล้วก็ดำรงอยู่ในโลกนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปเราเหมือนคนลงเรือลําเดียวกันทําไมไม่ช่วยกันพายช่วยกันถอยช่วยกันนําพาเรือเพื่อไปสู่ฟังเมื่อถึงฟังบางคนต้องแยกแยะ ก, ก, กันไปการอยู่ร่วมกันเป็นมิตรนี่ยมันอยู่ที่การพลิกจิตทีเดียวมันก็เป็นมิตรกันได้แล้วมันเราพร้อมจะพลิกจิตมิล่ะ แล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องโจนองคุลิมาเน่ยนะมันจะเห็นว่าโจนองคุลิมาเนี่ยพริกจิตจากหมาโจรไล่ล่ามนุษย์เพื่อเอานิ้วมาเป็นพวงมาลัยใครบหนึ่งพันอเห็นพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็ถูกขึ้นบัญชีอะไปใช้เอานิ้วไปเป็นพวงมาลัยที่ครบพันและวิธีการจัดการของพระพุทธเจ้าเนั้นเปลี่ยนความคิดของท่านเปรื่อยๆอยากอยากฆ่า เป็นเกิดสงสัยจากสงสัยเป็นอยากรู้อยากรู้จนต้องถามพอตอบมันก็สงสัยอีกก็ถามอีกผู้เจ้าตอบครั้งที่สองท่านก็ชิ้งดาบแล้วและจากคนที่มุ่งไปฆ่าเขาเนี่ยกลายไปเป็นลูกศิษย์ไปกราบแทบเท้าเขาเนี่ยมันคอิก่การฟิกจิตแล้วยกตัวอย่างให้เขาฟัง เพาะเหมือนกับเราเจอเราไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีคนคนหนึ่งมองเราแล้วมองเราอีกรู้สึกไม่พอใจก็ไปสอบถามพูดไปพูดมาปรากฏว่าที่ท่านมองในเพราะเราหน้าไปคล้ายกับพ่อเราแล้วพ่อเราเนี่เป็นเพื่อนรักกับท่านท่านก็เกิดสงสัยแล้วก็อยากรู้ความรู้สึกที่ไม่ดี จนเป็นเหตุเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็มีลักษณะจะท้าทีท้าต่ออยู่นิดหน่อยเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็กราบท่านเลยขอโทษแล้วก็ชวนไปบ้านแล้วกลายเป็นญาติกันมั่นคือการพลิกผินที่ทเฉยเพราะโดยเห็นว่านรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของเราอเราคิดให้ตกนรกก็ได้ คิดแล้วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็ตกนรกคิดดีทำดีพูดดีก็มาเกิดในสุคติและท่านฟังลองสังเกตน่ข้อความตรงนี้เราพบมาหลายแห่งแล้วเหมือนกันทุกตัวสอนอะลีใช้กรรมกายัสะเพดาปรน า, นามนาทุกติวินิปาตังนิอยังอุป ป, ปัชชิติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติบิดิบะแล้วก็รับสั่งย้า แม้นี่เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมภาราภพคือชาติต่อไปแล้วก็ชาติต่อต่อไปทั้งเกิดอา่อะไรมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นต้น c a u มีกรรมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นโลภธรรมานางบริบันโถความโลภเป็นอันตรายของทุกเรื่องว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ทีนี้ประการต่อไปก็รับสั่งรล่าเราถึงการที่พระองค์ไปสนทนากับพวกนิครนเป็นใจความว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชชุปุลแล้วก็พวกนิครนเนี่ยอยู่ข้างภูเขาอิสิกิริที่การัสิลาข้างภูเขาอิสิกิริที่ประโมคคัลานิพานาน่ยนะก็เป็นผู้ถือการยืนเป็นวัด ท้ามการนั่งสวยทุกเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามและพระองค์ก็เข้าไปที่นั้นก็คุยกับเขาคือให้สติกก่เขาบอกว่าภู้มีอายุทั้งหลายจะไหนพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดท่ามการนั่งสเสวยทุกเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนเกิดแต่ความพยายามผูนิโครนก็ตอบ ตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุนิครนนบุตรรู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงยืนยันญานณทัศนะหมดทุกส่วนว่าเมื่อเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีถึงก็ดีญาณทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อกเสมอไปนิครนาตบุตรนั้นกล่าอย่างนี้ว่าดูก่อนนิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทาแล้วในการก่อนมีอยู่โพรดท่านจงสลัด บาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทําที่ทําได้ยากอันลำบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมระวังกายวาจาใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทําบาปกรรมต่อไปท่นนี้เพราะหมดกรรมกล่าวด้วยตบะเพราะไม่ทํากรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับต่อไปจึงมีเพราะไม่ถูก บังคับต่อไปความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความสิ้นเวทนาจึงมีเพราะสิ้นเบียนาจะเป็นนั้นพวกท่านสลัดทุกข์ได้ทั้งหมดคําที่นิโครนาตบุตรกล่าวนั้นแล้วชอบใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าเพราะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ยินดีดังนี้คือประเด็นที่เราสังเกตนะฮะว่าพระเจ้รับสั่งอย่างหนึ่ง แต่เขาก็ไปตอบยิงเลแล้วก็สรุปตอนปลายก็ขวงได้นะทีนี้ปัญหาสำคัญเลยว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้มันกายมันจะกระสรับกระส่ายมันกายกระสรับกระส่ายและใจจะส ง, งบเป็นไปไม่ได้ญาณทัศนะเปลว่าความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง เป็นสัมมาญาณ น, นะญาณทัศนะเนี่ยเป็นสัมมาญาณถ้าเราเรียงระดับวิสุทธ์มันก็อยู่วิสุทธ์ข้อสุดท้ายคือวิสุทธ์ข้อที่เจที่เรียกว่าญาณทัศน์วิสุทธ์ชื่อนะมันเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันพญาณทัศนะของเราเนี่ยคือถ้าเกิดแก่จิตใครใครก็ตามแหละ คนเหล่านั้นก็หมดกิเลสแต่ทีนี้วิธีทรมานร่างกายของท่านเนี่ยที่ท่านเชื่อว่าญาณนะทัศนะปรากฏอยู่ตลอดระยะเวลาทั้งหลับทั้งตื่นทุกียานบุทั้งหลายเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าท่านไปใช้ไอตัวรูปแบบของการทรมานเนี่ยของการทรมานตัวเอง แล้วถ้าเรามองดูถึงท่าน น, นิโครนาตบุตรซึ่งเป็นคณาจารย์ใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้ได้อะไระคืออย่างในงระดับของชานเองเนี่ยท่านยังไม่ได้เลยํำไปเพราะอ่รเพราะท่านนิโคริษยามากแล้วก็เบียดเบียนมา ก, ก, ก, ลมากแล้วก็โลภมากแล้วโกรธมาก ก็ถือว่าเป็นศาสดาที่ค่อนข้างแรงคือกับพระพุทธเจ้าในท่านตามล้างตามฐานเลยตลอดตลอดเส้นทางทรงอภัยราชกุ ม, มารมาโต้ตอบวางแผนอยู่หกเดือนเพื่อเตรียมมาท่ามาโต้ตอบกับพุทธเจ้าแต่ไม่กล้ามาเองส่งอภัยราชกุ ม, มารราชยุ ร, ระเจ้าพิมพิสารมา พระเจ้ากเทศโปรดเมนบรรลุมักผลเป็นพระหันไปในการต่อมาก็ทรงสัจจานิโครนมามาโตเรื่องอนาตาแพ้พระพุทธเจ้ากลับไปปีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ตันตอนจ้างนางจินจับมนวกาเนี่ยพวกเนี้ยานางจินจับมนวิกามาใส่ร้ายพระพุทธเจ้า ต ล, ลอดถึงเตรียมที่จะสร้างอารามชิดกำแพงวัดประเชตวันเพื่อก่อกวนความสงบของพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าในวัดก็สแสดงเห็นท่านก็ริษยาแล้วก็แข่งดีแล้วก็เหีเดเบียนแล้วถ้าดูระบบการคิดของท่านเนี่ยมันคล้ายๆกับโอโหอหิงสามากๆเลย แล้วก็ทำไปทามาไม่รู้หิงสาคืออะไรหิงสาเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่กรอบ้วยกุณาต่อสรรพสัตว์โอ้มันยิ่งใหญ่มากกว่าเมตานะฮะทำได้ยากกว่าเมตตาแต่ถ้าฐานใจเราไม่ไดมีเมตตาอยู่ก่อนเนี่ยเราเอาไ้หิงสาไม่ได้หรอกเพราะเราต้องรู้สึกดีต่อคนนั้นเนะี่ยทําไมอย่างนั้นเวลาคนนั้นประสบความพิบัติ เราก็จะซับเติมเขาอ่เวลาเขาได้ดีเราก็ริษยาเขาถ้าเราไม่มีเมตตาอยู่ก่อนนี่เมตตานะี่ยมีสัจตุปัปเป็นอารมณ์มันมองเป็นสากลของสรรพชีวิตทีนี้เมื่อจิตประกอบด้วยเมตตาแล้วเนี่ยพอเขาาไปสบความทุกข์เนี่ยเราเกิดเอาวิหิงสาได้คือไม่เดียดเบียนได้ อหิงสานั้นเป็นภาษาสันสกฤตเครียก อ, อหิงสาประโมทรโมเป็นภาษิตในศาสนาเชนนี่แหละหรือตั้งถือว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยภูเขาต้นไม้ก้อนอิดก้อนหินก่อนกรดก้อนทรายและอะไรต่างๆมีปรานมีชีวิตทั้งนั้นเลยเพราะนั้นก็มีการปฏิบัติสม ม, มวมระวังแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกเนี่ยว่า เอ๊ะทำไมกับพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระุเจ้าท่านแรงแล้วตอนที่ท่านผิดหวังพระุบาลีขณบดีมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วมากล่าวสรนเสริญพระพุทธเจ้าตอนหน้าท่านด้วยข้อความที่เรียกว่าพุทธคุณร้อยบทสรนเสริญความดีงามของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วเป็นบัญญาบสุณกรุศานี้เป็นร้อยบทโดยท่านคนคนเดียวนะฮะคิดขึ้นมาในขณะนั้น เป็นภาษาจากใจของท่านท่านก็พูดออกมาเลยมีคนขับแขนมากเสียใจมากเป็นทุกข์ทรมานมากกระอักเลือดเป็นโลหิตสดๆนะฮะแล้วก็สุดเลยแล้วก็ตายไปเลยนั่นคืออะไรคือบทพิสูจน์ บทพิสุจน์ว่าท่านเหล่านี้ที่จริงมีกิเลสอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์เวลาท่าทางอะไรก้อท่านก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วท่านยังมีกิเลสเพรากิเลสเนี่ยมันกำผ่านการพิสูจน์ทดสอบถึงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายคือการจะดับไปเลยนะี่ไม่ได้ทําได้ง่าย เาันวิธีการที่ท่านอธิบายเนี่ยว่าไอ้ทำอย่างเนี้ยมันเป็นการไม่ทำบาปทีนี้ไม่ทำบาปไม่ได้หมายถึงว่าสุจริตหมดละเพราะบาปจะมีคิดออกกบาลนะพูดออกกบาปมันไม่ใช่พูดเฉพาะทำแล้วก็อะไรเพราะเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบาบะ ทีนี่อย่างที่บอกว่าตะบะแบบนี้โคนเนี่ยตาบะแบบพรมาณตัวเองที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าทุกข์หัวนันโยนัสนิตโตเป็นทุกข์ไม่เป็นการกระทำที่เปิดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรและสาระประโยชน์เพราะตะบาบะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลาะละกิเลสได้หมดนะตะบาบะบางอย่างเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกิเลส ใช้พวกแนวจรรวาสแนวโลกายตะแนวพวกวัตถุนิยมทิจัดคือถือว่าการปลนปลือตัวเองด้วยกามคุณให้มันแวดล้อมไปด้วยรูปเสียงกิริยธรรมรมคือมาเรียกว่าโยเยอยู่ในวังอยู่ในปราสาทในสมัยโบราณก็อยู่ในวังอยู่ในปราสาทอยู่ในฮาเร็มทั้งหลายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเอกันตะบรมสุขเลยนะครเป็นความสุขชั้นสูงสุดจะเราเห็นว่าการมันก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบวาจาก็ต้องไม่สงบตามไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นแนวเนี่ยมันค่อนข้างหรูแก่ถ้าเรามองกันถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า คว่าเจ้าดึงเอาเรื่องในมหาสีลหนะไม่ใช่ในมหาทุกขการทสูตรคือเรื่องของกามเรื่องของเวทนานะฮะเข้ามาประมวลไว้ในที่นี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์คือเป็นตัวความทุกข์แล้วข้อต่อไปก็กล่าวถึงผู้อยู่สบายดีกว่าก็รับสั่งถาม แนวเนี้ยคือแนวแนวคุยอย่างนี้บอกท่านผู้ฟังว่าบรรยากาศที่พระเจ้าคุยกับพระเจ้ามาณามะนี่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นบรรยากาศของพี่น้องคุยกันพระเจ้ารับสั่งว่ามาณามะเมื่อนิคนกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็กล่าวกับนิพนเหล่านั้นว่าเอ่อพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อน ไม่ใช่ไม่ได้มีแล้วทราบหรือไม่ว่าเรามีชาติชาติก่อนท่านบอกว่าหาไม่ได้คือไม่ทราบไม่ทราบว่ามีชาติก่อนเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยมันต้องอาศัยบุเพนิวาสารพยานจะดู ล, ลึกนะฮะหรืออย่างน้อยก็อตติตังสยานคือญาณในส่วนอนดีตที่ทะลุมิติของสังสารวัฏผ่านไป คือผ่านไปสู่ชาติก่อนพบ ก, ก่อนแล้วท่านก็พระเจ้าก็รับสั่งถามว่าท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปกรรมไว้ในการก่อนม่ใช่ไม่ได้ทําไว้อา้ามีคนบอกไม่ทราบอีกละเพราะเมื่อไม่ทราบตัวตนมีอยู่ในชาติก่อนหรือไม่มันจะรู้ได้ยังไงเราทําบาปแล้วทำบุญ เพราะถ้าไม่มีเราเกิดมาเราก็บุญบาปเราก็ไม่มีแต่ทีนี้เมื่อท่านท่านไม่รู้ว่าเราเราผ่านกัรสารวัตรมานานเนี่ยก็ทำให้ท่านไปไปไม่เข้าใจว่าเราเคยทำบาปทำกรรมมาในชาติก่อนหรือไม่แล้วสั่งถามว่าผู้ท่านละหรือว่า เราทั้งพวกพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างก็บอกไม่ทราบเหมือนกันทีนี้รับสั่งว่าพวกท่านทราบแล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วจักเป็นอันสลับทุกได้ทั้งหมดตัวนี้มันเป็นความรู้ระดับญาณ แล้วเองเราก็ไม่รู้หรอกสามัญชนทั่วไปจะไม่รู้มันก็คล้ายๆกิเลสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันมันมีมากหรือมีน้อยขนาดไหนล้วมีนะมีแน่แต่เราไม่รู้มีมากขนาดไหนเพราะไรเพราะเราไม่เจอการกระตุ้นมาจากข้างนอกพระเจ้าทรงแสดงว่าอุกเทอุกเทฆสู้ระไม่เฉันติในภาวะวิกฤตเนี่ย มันต้องการคนมีจิตที่กล้าหาญเข้มแข็งเิ็ดเดี่ยวที่ตามปกติเราก็ไม่เจออารมณ์วิกฤตและยาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงผ่านอารมณ์วิกฤตมาเรานึกภาพถึงชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในป่ามาหกปีปีที่เจ็ดแล้วแล้วก็ มีสาวสวสวยๆมาไา่รำเชวบสวลบสชบเ ช, บ, ช, บ, ชบอยู่ต่อหน้านี่โดยประทับนิ่งไม่ไหวติงไม่ใส่พระไทยแต่ประการใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันประณีตยังไงก็ไม่สามารถกระทำจำยีต่อน้ำพระไทยได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนั้นก็พระองค์รู้ชัดเจนนะฮะล้หลักของอริษสัต คือรู้ว่านี่ทุกทุกควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วนี่สมุทยัยสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนี่นิโรดนิโรคมันทำมาแจ้งเราทำมาแจ้งแล้วที่มรคมรคควรเจริญเราได้เจริญแล้วมันเป็นการรู้อย่างนั้นจึงถือว่ารู้ถ้าเราเทียบเมื่อเรารับประทานอาหารเนี่ยคือถ้าคนคอยสังเกตว่าตอนนี้เราอิ่มแล้อยังคําว่าอิ่มนี่ไม่ได้หมายความมาแน่นท้อง แต่ว่าตัวหดดโดยหลักเนี่ยหลักการแพทย์กับหลักการศาสนาแพทย์แผนจีนนะฮะเคยเจอแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่ารับประทานอาหารให้รู้สึกว่ายังยังหิวอยู่คือยังยังฉันได้อยู่ยังกินได้อยู่เดีกก๋ยวก็หยุดแล้วก็ไม่ฉันของพระเราเนี่ยบอกว่าหเห็นสังเกต ด, ดูอีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วก็หยุด ให้ฉันต่อหยุดแล้วก็ดื่มน้ำก็ไปนันงไวจบกันแล้วก็แสดงว่าเรารู้เรารู้ว่าอินอ่ะใช้ได้ถ้ากินต่อไปข้าวคำมันก็เป็นอาหารเหลือลแล้วแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้อง้ายติดตามมาเพราะฉะนั้นก็หยุดตัวเนี้ยทิ่ีการปฏิบัติของท่านเหล่านี้เอาก็จริงปรากฏว่า ท่านไม่รู้ทุกตอนเลยแล้วสั่งต่อไปว่าท่านทราบการละอกุศลการบําเพ็ญกุศลในปัจจุบันได้หรือก็ไม่ทราบอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านเองท่านก็ไม่ชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกุศลเป็นอกุศลการทรมานร่างกายของท่านการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก การดื่ไม่กวาดกวาดไปข้างหน้าก็มีคนโทรน้ำหิ้วไปทางกายก็เปือยเปล่าไม่มีผ้านุ่งผ้าคมอะไรเลยถามาทำไมจะต้องผ้าคลุมปิดปากปิดจมูกบอกว่ากลัวว่าสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปและจะตายเพื่อจะเป็นการทำลายปลานจึงเอาผ้ามาปิดเอาไว้ แต่ใ น, นขณะเดียวกัท่านเดินท่านก็กวาดขยะไปวาดทนลนไปดูกลัวว่าเดินจะเหยียบวศัตร์ตายมันเลยก็ตะลกเพราะัตร์มีจริงท่านกวาดนั่นแหละตอนท่านกวาดแล้วมันตายหมดแล้วอันนี้คือคือหรือแม้แต่ว่าท่านท่านต้องดื่มน้ําร้อนไม่ดื่มน้ำเย็นแต่านน้าร้อนนี่ยเคยต้มให้อ่ะก็ต้มเองอ่ะต้มเองก็ตายหมดแล้วสัตว์ที่อยู่ในน้ําตายหมดแล้ว ไอนน้คือคือความคิดท่านท่านไม่ได้ตรวจสอบดูสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเป็นเหตุเป็นผล่วกันและกันอยู่อยางนั้นก็รับสั่งถามว่าดุก่อนที่คนผู้มีอายุตามที่ได้ฟัง พวกท่านไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้มีมาแล้วหรือไม่ไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้ทําบาปกรรมไว้หรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าเราได้ทําบาปกรรมไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราหลัดสะอาดได้แล้วทุกเท่านี้เราสลัดแล้วเมื่อสลัดทุก์อย่างนี้ได้แล้วทุกต้องปวงจากเป็นอันสลัดไปด้วย ไม่รู้รู้จักการละกุศลการยังกุศลให้เกิดในปัจจุบันทุกอนนิโคร น, นาเบุตรนิโครผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายจากบวชในสำนักของท่านก็เพราะเฉพาะแต่คนที่มีมั ญ, ญาติเลวสามือเพื่อนเลือดทำกรรมชั่วเป็นผู้สุสดท้ายเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์ คื อ, อนิคนเนี่ยมันบำเพ็ญท ร, รมานร่างกายด้วยวิธีการในต่างแล้วก็ไปเข้าใจว่าอ้นี้คือเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์เพรา ะ, ะนั้นเราจะจะเห็นว่าตัวการใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวรู้เดี๋ยวทุกขั้นตอ น, น, นท่านไม่รู้ท่านไม่รู้เรื่องกรรมท่านไม่รู้เรื่องกิเลสท่านไม่รู้เรื่องธรรมะ พูดแง่แบบท่านมิวเรื่องอ ร, ริยสัจสิทีนี้เมื่อสอนอย่างนี้มันก็หาคนมีสติปัญญาดีๆ ม, มาบวชยากพูะเจ้าก็บอกว่าถ้าถ้าสอนอย่างนี้ก็มีเฉพาะคนมันญาติเดียวซา ม, มือเพื่อนโูหิตทำกรรมชั่วช้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์้ความมาตายจากนั้นก็ตกนร ก, กะนะ ทีพวกนิคนก็กราบภูมเขาใช้คําว่าดูกรดูก่อนท่านพระโคดมผู้มีอายุนะบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้แต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้แ ก็ถ่าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมมิสารจอมทัพแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขพระเจ้าพิมมิสารจอมทัพแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมอันนี้ก็ถือเป็นความผิดแปลกนะเพราะความสุขไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความสุขแต่ว่าความทุกข์เนี่ย เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแทะหมายความทุกเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วท่านก็เทียบเคียงสุขแบบครองเรือนของพระเจ้าพินิสารกับสุขแบบใช้ชีวิตนักบวชของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นมีความคิดว่าพระเจ้าพินิสานมีความสุขกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็ มือก็เล่นนอนก็เทวดาอย่างที่เคยเล่าครั้งมันอยู่ที่่วุฒิภาวะของคนเหล่านั้นหรือการมองก็คนเหล่านั้นเนะี่ยเป็นเรื่องอสําคัญเราสังเกตว่าคนบางคนแน่นอนที่บางแห่งหนอนไม่ได้ใอ้กินบางอย่างกินไม่ได้ไอ้อยู่ในที่บางแห่งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้พื้นฐานทางวาสนาบารมีเขาเนี่ย ไม่มีมากพอต่อการที่จะอยู่โดยปกติสุขในสถานที่นั้นตัวอย่างที่เราเคยเคยรู้กันมาว่ากระมือเทพพิพิธเนี่ยขึ้นไปนั่งบนทท่นที่นครราศีมาเพื่ อ, เ พ, อเพื่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์เนี่ยนางพับขึ้นมาก็เกิดฝีละลอกที่คอจิดวันก็ตายเลย อันนี้เป็นเรื่องที่ทนาคิดไปทยทำไมอ่ะมันก็แสดงว่าวาสนาบา ร, รมีของท่านที่จะถึงสเวตตรชัดเนี่ยมันไม่มีเดีย๋ยี่เขาเล่าหรืจะเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามอ้เจ้าตรงตอนเข้าปักกิง่งเนี่ยหมอทำนายเขาเรียกว่าอะไรล่ะหมอ ด, ดูของจีเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าท่านจะเข้าปักกิ่งเนี่ยท่านอยากเข้าในวังถ้าเข้าในวังเนี่ยท่านจะอยู่ไม่นานหรอกแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยจะอยู่ได้นานนะคอมนิ์ใหญ่นะฮะยังเชื่อยังเชื่อไสยศาสตร์อยังเชื่อโหราศาสตร์ด้วยก็ไม่กล้าเข้าตลอดชีวิตไม่เคยเข้าไปตลอดชีวิตที่กันมองสุขแบบพระราชากับสุขแบบสัสจะเนี่ย เราจะนสุขแบบพระราชามันเป็นสุขจากการเกา่าคือคันก็เกา่าอ่ะก็ก็ขันคันก็เก่าต่อแล้วก็สุขแบบผู้รองเรือนเนี่ยแต่จริงแล้วการเป็นพระราชาที่ดีเนี่ยมันเหนื่อยกว่าจะสุขใจนะฮะแต่ว่าทุกทุกกายคือร่างกายเนี่ยจะ เ, นเหนื่อยจะลําบากจะทํางานหนักในขณะที่ราษฎรหลับกันสบาย ลงเต็นท์รกันสบายเนี่ยพระมห า, ากษัตริย์ไม่ได้หลับไม่นอนอะ่ะก็พระไทยอสบายนะแต่ว่ า, าร่างกายก็สาหัส ก, กันเหมือนกันเมื่อการมองอย่างนี้เราจะถือว่าเอาเกียร์อะไรเป็นมาตรฐานละ่ะเอาอารมณ์คนเป็นมาตรฐานก็ฝังได้มันก็คือความชอบของเขาอ่เขาชอบเขาอย่างนั้นหนอนก็ก็ชอบเป็นนอนอยู่ที่ชุม่มลาวัด บอกว่าตอนเช้าพระเอามาเอาอาหารมาให้เยอะเธอก็อยู่ไปเทวดาไม่ห็นเข้าก็เกิดรังเกียรขยะขยงในการใช้ชีวิตแบบหนอนแต่นอนก็ไม่ได้ชินชมพอจะชินดีในชีวิตแบบเทวดาเพราะปัญหาตรงนี้เราเห็นว่ามันเป็นการจำแนกคนอยู่ในชีในทุกเรื่อง เรื่องอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้พื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยจะเป็นการจำแนกแบ่งแยกมนุษย์ให้มีความยิ่งความย่อนแตกต่างกันออกไปนิคนเป็นลทัทธินอกศาสนาหลวงพ่อเจ้านำมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผมคิดความอ่านแบบนิคนุเนี่ยมันก็มีลักษณะอาการของความยึดติดยึดมั่นหรือมั่นอยู่นั่นเอง ซึ่งถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์จิงเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ว่าสมองคนผู้หนึ่งเขาก็อยู่มาได้นะครับเพราะว่าเขาก็สืบต่อกันมาปเป็นเวลานานจะฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีใดท่านผู้ฟังเท่าไหร่โดยทั่วกันสวัสดี